ขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฟัง ท, ทั้งหลายเสียงทําจากหมหาวิทายาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอประวัติพระอนุรุท ธ, ธเทระผู้เลิศในทางทิปจักสุกก็อยู่ในดับที่เรียกว่าเป็นเอตต ะ, ะคาัสสาวกคือสาวกที่ได้รับการยกย่อง ว่าเป็นผู้เลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายในทางทิพยจักสุคือมีตาทิพย์เป็นคุณสมบัติพิเศษประการหนึ่งในกลุ่มของวิชาเรือพิญญาคามาทิพยจักสุนั้นบางคราวเราจะได้ยินคำว่าจูตูปปาตยานบางคราวจะได้ยินว่าคำมาทิพยจักสุ ซึ่งก็ความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเรียกบัจุตูปปาตยานั้นมักจะใช้ไปในกรณีของการดูภูมิหลังของบุคคลที่เกี่ยวกับกรรมซึ่งจำแนกคนสัตว์ให้มีความแตกต่างกันแต่ทิระจกักษุก็จะดูในแนวไกลตอนใกล้รุ่งทุกคืน พระพุทธเจ้าจะส่งส่วนดูสตัตวโลกที่อยู่ในวิสัยจะบรรลุธรรมะได้โดยที่ประจักษ์สุขจากนั้นก็จะพิจารณาในเนื้อหาของจุตูปปาติยานคือศึกษาภูมิหลังอินทรีย์เช่น ศรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาในความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ผลของกรรมและตัวกรรมตลอดถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเสด็จไปโปรดของพระองค์แต่สรุปว่าเชื่อชื่อเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าใช้ ในกรณีที่ต่างกันนิดหน่อยบรรณกรได้พูดมาถึงช่วงที่พระอรุธท่านได้กล่าวถึงสถานะของพระพุทธเจ้าหลังปริพานว่าพระอรหันต่ท่านนิพพานเนี่ยต่อไปหลังจากนั้นจะเป็นยังไงก็บอกว่า พระผู้มีพระเจ้าทรงอดกลั้นเวทนาด้วยพระทัยที่เบิกบานก็เมื่อพระผู้มีพระเจ้าผู้เป็นดวงประทีปของโลกกับทั้งเทวโลกเสด็จดับขันธรมรรดภานแล้วความพ้นพิเศษได้เกิดขึ้นมาแล้วซึ่งหมายความว่าการพ้นตอนสัตว์รูนั้นเป็นการพ้นจากกิเลส แต่ว่าชีวิตยังทรงประชุนอยู่แต่การนิพพานคราวนี้ก็เป็นการพ้นไปอย่างสิ้นเชิงือทั้งกิเลสและขันบางครั้งท่านเรียกว่าขันธ น, นิพานกิเลสนิพพานกิเลสนิพพานพอบรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่ากิเลสนิพพานแต่ว่าเมื่อชีวิตยังอยู่เนี่ย ก็ไม่เรียกคือไม่เรียกขันด้วยเพราะว่าขันยังอยู่แต่พอนิพานก็พูดง่ายๆว่าพระหานตายก็หมดทั้งกิเลสแล้วก็หมดทั้งขันขันนั้นมันเป็นวิบาก ค, คือเป็นผลของกรรมในอดีตที่ทำให้มาบังเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถ แต่ก็มากด้วยบารมีที่สมบูรณ์ในสุดก็ในสัตว์รุปรสัตว์รุปก็เป็นกิเดสนิพพานอยู่ใหม่สี่สิบห้าปีวันเพ็นเดือนหก่อนพศหนึ่งก็ขันธนิพพานก็เกิดขึ้นแล้วท่านก็แสดงสถานะต่อไปว่า บันนี้ทมเหล่านี้ซึ่งมีสัมผัสเป็นที่ห้าขมายความมาตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้เสียงกริ้นรถโพธพะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้มีการสัมผัสอารมณ์แล้วแต่ก่อนในตอนกิเลสมิพานก็ยังเห็นรู้ฟังเสียงดมกลินล่นริ้รถถูกต้องยื น, อนนอนแข็งอยู่นั่นแหละ เพียงแต่ว่าไม่เกิดความยินดียินร้ายในอารมณ์หล่อนนั้นเท่านั้นเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุให้ยินดียินร้ายมันดับไปด้วยดับไปแล้วแต่พอนิพพานทั้งขันก็หมายความว่าประสาทสัมผัส ต, ต่างๆก็ใช้งานไม่ได้ก็เป็นการจบสิ้นอย่างแท้จริงแล้วก็บอกว่า ในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันรรธปรรผ่านแล้วจิตและเจตสิกเหล่านั้นเหล่าอื่ น, น, นจะไม่มีอีกต่อไปคือหมายความว่าจิตก็ดับทีนี้เจตสิกจะเป็นกุศลนกุศลหรือกลางกลางมันก็ไม่มีที่ปรุงแต่งมันก็ดับแต่ว่าเจตสิกที่เป็ น, นกุศลอันดับมานานแล้ว ดับมาตั้งแต่ตรสรู้นั่นแหละก็ยัออยงเหลือเฉพาะเจตสิกที่เป็นกุศลกับกลางกตอนนี้ก็ดับหมดตั น, นี้ข้อต่อไปคือตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ที่จริงก็เป็นเหตุการณ์หลังพุทธปณิพาน์เพราะว่าพระนรุธอยู่อีกนานนะฮะ อยู่กินานกว่าพระพุทธเจ้ากว่าจะนิพพานตอนนั้นท่านก็ชราลงมากแล้วแต่การที่เคยบอกว่านั่งอยู่ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีโดยไม่ใช้ไม่ไดย่สิ้าปีแต่บางแห่งก็บอกว่าห้าสิบห้านะครับบางแห่งบอกว่า25้า อันนี้ก็เป็นมติของพระอ า, าจารย์พระอ า, าจารย์ท่านก็เกิดทีหลังนะแต่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามคือสรุปว่ามันเป็นเรื่องทุดดงหรือทุดดงการนั่งเป็นวัดแล้วก็ใช้ียวบทอื่นตามสมควรคือไม่มากเท่ากับียาบทนั่ง ยืนเดินนั่งนอนก็เป็นปกติธรรมดามันก็ต้องมียืนยืนเดินนั่งแต่ว่าไม่นอนแต่นั่นเองก็มีแต่นั่งการนอนนั้นก็ยุติไปแต่ตอนหลังเนื่องจากร่างกายมันก็แก่ชราลงมาท่านก็ต้อง น, นอนทีนี้มันมีเรื่อง เทวดาคำว่าเทวดาเนี่เป็นคำเรียกรวมคือถ้าเป็นเทวดาผู้ชายเขาก็จะเรียกว่าเทพประบุถ้าเทวดาผู้หญิงก็จะเรียกว่าเทพธิดาแต่ตอนนี้ท่านเรียกว่าเทวดาคือมันสืบเนื่องมาจากเทพธิดาองค์หนึ่งซึ่งอยู่ในสวงสวรรค์ ในชาตินานมาแล้ว จ, จะเป็นชาติที่เท่าไรก็ไม่รู้แหละก็เป็นพัญญาของพระอนุรุตก่อในชาตินั้นแหละเตอยังมีความรักมามีความผูกพันในพระอนุรุธแล้วก็ไม่รู้ว่าพระอนุรุตเป็นพระอรหรันจึงมาเชิญบอกว่าเวลาตายไปแล้วก็ขอให้ไปบังเกิดอยู่ด้วยกัน เพื่อจะได้ครองคู่อยู่ด้วยกันต่อไปท่านก็บอกบอกว่าลุก่อเทพธิดาบัดนี้การอยู่ต่อไปอีกด้วยอํานาจการอุบัติขึ้นในหมู่เทพย่อมไม่มีคือท่านเป็นเทวดาต่อเนื่องกันอยู่เจดเกศชาติด้วยกันหลังจากเป็นนายอ น, นุภาระแล้วนะครับ ตอนการเกิดของท่านก็จะไม่มีละไม่มีชาติไม่มีภพดับชาติดับภพบเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุบังเกิดเป็นชาติเป็นภพมันไม่มีเขาเรียกขีนาชาติคือชาติสิ้นแล้วท่านบอกว่าชาติสงสารนะั้นสิ้นแล้วชาติความเกิดสงสารก็คือการหมุนวนด้วยอานาจกิเลสกรรมไปบาก ระ ด, ดับกิเลสกระดับกรรมแต่วิบากก่อนจากนั้นมันก็ต้องสเสวออยู่ก็เรียกว่าดีตกรรมก่อนที่จะบรรลุมรรคผลเป็นประหันก็สามารถที่จะตามมาให้ผลได้คือทั้ทงดีและไม่ดีตราบเท่าที่ยังไม่ได้นิพพานด้วยอนุปาติเศสนิพพานแต่ตอนนี้กระชาติกระสังขาร สงสารคือการหมุนวนไปตามกระแสของกิเลสกรรมวิบากนั้นได้ยุติแล้วบัดนี้ไม่มีการเกิดขึ้นอีกต่อไปท่านจะไม่เกิดอีกแล้วนางเทธิดาได้เข้าใจได้ฟังแล้วก็เห็นว่าสิ้นหวังก็กราบลาท่านไปผลระถาบทนี้ก็มาแทรกขึ้น มาแทรกขึ้นแต่ว่าช่วงเวลาที่จริงมันห่างกันเวลาพระอาจารย์ท่านนามาร้อยเรียงท่านก็ต่อกันไปไอ้ที่ไม่ต่อก็เยอะนะฮะคือเวลาที่ต่อก็เอาเฉพาะที่ต่อเพราะว่าถ้าเราจะไปนํารวบรวมเรื่องพระนรุจจากที่อื่นมาด้วยมันจะเยอะมากว่ากันเป็นเดือนๆือนก็ไม่จบ คือประวัติของพระอาหารหันต์ทั้งหลายนี่ท่านไม่นี่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์จะให้คนรู้จักท่านว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นเพราะงั้นมีเหตุการณ์อะไรที่มีคนรู้เห็นเขาก็บันทึกไว้มีพระเสระโดยเฉพาะพระธรรมสังขยนาท่านรู้เห็นท่านก็นำมาสู่สังขยนณา ที่ไม่รู้ไม่เห็นก็จบไปเพในการสั ง, งยานานั้นจะเน้นไปที่พระพุทธวจะนะคือพระพุทธพจน์พระพุทธลัมหัดของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นคนที่เกี่ยวข้องมากที่สุดก็คือพระนุเทเถระเพราระว่าเวลาท่านเล่าเนี่ย ต้องเล่าว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่นั่นที่นั่นที่นั้นแล้วก็มีเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนั้นก็ต้องขึ้นอย่างนั้นที่เราจะได้ยินพระสูตรเวลาเขาสวดเต็มบทว่าเอวเมสุ ต, ตังแปลว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมัยยังพกักวาสมัยหนึ่ง พระผู้มีประภาคเจ้าบาลานศียังวิหรติสเสด็จประทับอยู่ที่เมืองพาลันซีเป็นต้นแล้วก็เดินมาจนถึงข้อความที่เป็นบาลีพุทธวจนะแล้วตอนสุดท้ายก็เป็นเรื่องเล่าอีกแล้วหลังจากจบประธรรมเทศนาแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพระได้บรรลุมรรคผลอะไรอย่างไรเท่าไหร่ท่านก็บอกไว้ก็จบเป็นระสูจน์พสู์ไป ทีนี้ข้อความเป็นอันมากที่ต้องการขยายแต่คนฟังขณะนั้นเน่ขามีพื้นฐานดีก็ไม่ต้องอธิบายพระพุทธเจ้าก็ไม่อธิบายแต่เมื่อเราต้องการศึกษาเนี่ยเราไม่เข้าใจอะเพราะฉะนั้นท่านก็มีการอธิบาย prasankiti อาจารย์คืออาจารย์ที่ทําสังขยาก็อธิบายมาแล้วครั้งหนึ่งแต่พอเวลามันผ่านไปผ่านไปเรื่องมันก็คงยากสำหรับคนรุ่นต่อมาก็มีการอาธิบายต่อประเด็ตนตรงนี้มันก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแต่หมายความมาทั้งก็รวบรวมรวบรวมที่กระจัดกระจายอยู่ในที่ทต่างๆ แต่ไม่หมดนะฮะพึงเข้าใจว่าไม่ใช่หมดหรอกเพราะว่าท่านเหล่านี้มีบทบาทในพระศาสนาอยู่มากมีผลงานต่างๆเยอะก็ยังพูดเล่นๆจะบอกว่าสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่สเรามีเทพอย่างในปัจจุบันเนี่ยอาจไว้ทุกครั้งที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมเทระองค์ไหนเทพ ก็อัดไว้เท่าองค์ไหนเทศก็อัดไว้อัดไว้เนี่ยมันจะมีเรื่องเยอะมากแต่ข้อความมันก็อยู่ในกรอบของอาดียสัจสีนเอพราะว่าพระหันท่านจะแสดงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็เรียกว่าเหมือนกันทั้งอัตตะทั้งปัญชนะเว้นไว้แต่บางคราว เ็ต้องการอาธาิบายท่านก็อาธาิบายบางทีคาถาบรรทัดเดียวเท่านั้นเองเมื่อคราวท่านอธิบายท่านก็อธิบายออกไปโดยพิสดารแต่พอ ร, รานำไปเทียบเคียงมันก็อยู่ในพระบาลีพุทธวจนะนั่นแหละแต่ว่าอยู่ในที่อื่นซึ่งกระจัดกระจายอยู่มาก คือแนวในพระบาลีไตรปิฎกถ้าหากว่าคณะสงฆ์ท่านสนใจในเรื่องนี้นะฮะแต่ก็ต้องลงทุนเยอะนะฮะลงทุนเยอะคือหมายความว่าเป็นทีมงานที่รวบรวมเรื่องพระพุทธธรรมรัตนที่เกี่ยวกับเศษรษฐกิจที่เกี่ยวกับการทำนาที่เกี่ยวกับการปกครองที่เกี่ยวกับการศึกษาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติอะไรต่ออะไรเนี่ย จะขึ้นเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็อาศัยกรอบอาศัยกรอบที่เขานิยามความหมายเอาไว้จะดูกรอบของจิตวิทยาในทางโลกเนี่ยกรอบบัรยายขนาดไหนเราไม่เอาตามของเ ข, ขาโลกแต่เราจะดูกรอบแล้วอธิบายจิตวิทยาในพระพุทธศาสนา จริยศาสตร์ทางโลกเขามีว่ายังไงเราก็เอามาอธิบายจริยศาสตร์คือหมายความว่ากลุ่มของธรรมะระดับที่เป็นจริยศาสตร์ระดับศีลธรรมจัญญาทั้งหลายตามปกติที่เราเทศท์สวดกันมันก็เป็นแนวจริยศาสตร์คือระดับจริยศาสตร์จริยธรรมนะฮะ แต่ถ้าบรรยายพระสูตรนี้ก็แลแต่พระสูตรคือบางตอนท่าฟังจะสังเกตว่าเป็นประวัติพระอรหันเลยมันก็ค่อนข้างยากในบางขั้นบางตอนบางคำบางประโยคแล้วก็ต้องการอาธิบายขยายความแล้วต่อไปนี่เป็นทำนองเล่า เล่าสถานะของท่านเองรวมถึงสถานะพระอหารที่ได้อภิญญาด้วยกันบอกว่าภิกษุใดรู้แจ้งโลกเทวโลกพร้อมทั้งพรหมโลกซึ่งมีประมาณพันได้ในเวลาครู่เดียวหมายความว่าสามารถที่จะรู้โลกได้เป็นพันพัน โลกคือดวงดาวนะโลกในที่นี้คือโลกคือดวงดาวแล้วบางทีโลกคือมูสัตว์โลกคือสังขารแต่ว่าเน้นไปที่โลกในดวงดาวชั้นทาชั้นนั้นนั้นเพราะว่ะาพุทธศาสนาไม่ได้ถือว่าสิ่งมีชีวิตมีอยู่เฉพาะในโลกเราโลกเราก็เป็นหนึ่งในแสนโกฏจั ก, กรวาลท่านั่นเอง มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในโลกอื่นเป็นนั้นมากที่จำแนกเอาไปเป็นพบ อ, อะไรต่างๆเป็นพบเป็นภูมิต่างๆเรเือได้ในครู่เดียวพิสุจนนั้นเป็นผู้ชนานาญในคุณคือฤทธิฤทธิ์เป็นความสำเร็จในที่นี้ฤทธิ์คือทางใจนะฮะหมายความมาผลจากการฝึกปรือทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าความสำเร็จทั้งนั้นแหละ จำน อ, อิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้มโนมยิทธิมีฤทธิ์ทางใจอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้ที่ประโซดหูทิพยโตปริยานรู้ใจถ่ายใจเข้าใจสภาวะทางจิตของบุคคลอื่นปุเพนิวาสารัญาาฤทธิชาติได้ที่ไปจากสุตาทิพย์สวขยญาณญาณที่ทําอาสวาให้หมดไปสิ้นไป แต่ยามันเป็นฤทธเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็ไม่ใช่เรื่องวิจิตพิสดารอะไรหรอกว่ากันตามความจริงฤทธ์เพราะันก็จะคล่องแคล่วด้วยคุณคือฤทธ์ระวงคงเคยได้ยินคำว่าวัดสีที่แปลว่าคล่องแคล่วชำนิชำนาญเจนในการเข้าสมาธิในการเข้าฌานเนี่ย จำนาญในการเข้าจำนาญในการอยู่จำนาญในการคิดในการพิจารณาจำนาญในการออกหมายความว่าท่านทําได้ในเวลาที่รวดเร็วรวดเร็วบางเรื่องก็กําหนดไม่ทันแหละแต่ว่าแสดงซ้อนกันสองเรื่องเนี่ยมันทําได้จากพาะพระพุทธเจ้า เดนสมมุติว่าพุทธเจ้าสามารถจะทําให้น้ําไหลออกมาทางพระเนตรข้างหนึ่งแล้วค่อยไหลออกมาจากพระเนตรข้างหนึ่งแล้วก็น้ําไหลออกมาดับไฟเกิดในส่ตรต่างๆทางด้านหูทางด้านจมูกทางด้า น, าานพระเนตรใดๆต่รางๆนี่ให้กรสินที่ต่างกันหมายความมาเข้ากระสินทีเดียวสองกรสินพุทธเจ้าทําได้ เขาเรียกว่ายามกปฏิหารคือแสดงเป็นคู่แต่ว่าก็ยังไม่เคยพบพระอรหันท่านแสดงท่านบอกว่าเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งในการจุติและการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายหมายความมาเห็นหมดการจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่ยิบแบบที่ประจักสุ น, นี้ที่ประจักษสุ แล้วก็เมื่อต้องการจะพบเทวดาจะเห็นเทวดาจะสนทนาสนทนากับเทวดาก็ทำได้ตามประสงค์เราไาต่อไปท่านก็มาเริ่มกลับไปที่หลักของนายอนนาภาระสมัยที่ท่านเป็นคนอยากจดชื่อว่าอนนาภาระ แล้วก็นำไปสู่คำว่าไม่มีคือทานอธิษฐานเอาไว้ตั้งแต่ชาตินั้นแหละว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยขอให้ท่านอย่าได้ยินคำว่าไม่มีทีนี้ก็มาสรุปให้เห็นว่าผลทั้งหลายมันมาจากเหตุเหตุเหล่านั้นเหตุนในสมัยเป็นอนับในอนาภาระ ในการต่อมาก็เป็นเศรษฐีนะฮะเป็นเศรษฐีเริ่มต้นจากการถวายทานแก่พระปัเจกระพุทธเจ้าบางแห่งเรียกว่าอุปริธ tha ปเจกระพุทธเจ้าบางแห่งเรียกว่าอริ tha ปเจกระพุทธเจ้าก็อาจจะรอผิดกันก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าหนังสือเรานี่มันมาจาก อักษรขอก่อนเป็นลอกมาจากการสอของก่อนซื่อเนี่ยมักจะไม่ค่อยตรงกันบางทีโราเจอไม่ค่อยตรงกันแต่ว่าเราไม่ต้องไปติดใจอะไรหรอกแล้วก็ประการต่อไปบอกว่าเมื่อก่อนเราเป็นนายอนนภาละ เป็นคนยากจนที่รับจ้างเลี้ยงชีพอยู่ได้ถาวายอาหารแก่พระอุปริธะปะัจเจกพุทธเจ้าผู้เป็นสมณะผู้เรืองยศเลยอย่างที่บอกว่าตอนนั้นท่านได้ส ม, มถะคุณสี่ประการคือประกอบด้วยส ม, มถะคุณสี่ประการ พระอุปริทะพระเจ้าพุทธเจ้าออกจากนี่เป็นเป็นพร ะ, ระเจ้าพุทธเจ้านะแล้วประการที่สองคือของที่ท่านได้จากการรับจ้างก็เป็นของที่พอประทังชีวิตไปไม่ใช่อาหารที่ประนีตแต่ว่าสมัครท่านแล้วก็ต้องถือว่าสุดยอดแล้วเพราะมันมีเท่านั้นนะแต่ท่านก็ไปแบ่งถวายพระประเจ้าพุทธเจ้า พระพัญญาก็าต้องการถวายด้วยเลยก็ถวายเษฐีได้ทราบรู้สึกชื่นชมมนุโมทนาในลูกน้องก็ตัวเองที่ใจบุญใจกุศลก็ขอแบ่งบุญซึ่งเกิดขึ้นจากการให้ทานทานก็ให้ เศทษฐีคนุทนารางวัลเงินหนะึ่งพังนกะหาปณะแต่ท่านก็ทึ่งนะฮะท่านก็อศัศจรรย์ในความคิดความอ่านของอนาภาระก็นำไปเฝ้าพระ ร, ราชากาปุลนั้ทรงทราบพระราชาก็ให้รางวัลพัาะนกะหาปณะแล้วก็ส่งมัน牟ทนาในขณะเดียวกันก็มอบที่ดินสมับสร้างบ้านให้เป็นที่อยู่อาศัย เขาก็ขีดเป็นวงล้อมทําเป็นรั้วล้อมแล้วก็เริ่มแฝวถางบุกเบิกเพื่อจะสร้างบ้านพบทองจำนวนมหาศาลมากก็ซื้อสัตว์นะฮะไปทูนพระราชาสยสงสารอันนี้เราจะเห็นว่าเกลือทองนั้นมันอยู่ในที่ดินของท่าน ดินนั้นเป็นสิทธิของท่านแต่ว่าตามปกติดินมันก็ไม่เป็นทองหรอกก็เป็นเรื่องของผู้มีบุญถ้าท่านจะเก็บเอาไว้รู้กันในหมู่บริวารสมัยนั้นกฎหมายจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าคนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์นี่เขาไม่ทา มันเป็นความไม่ชอบธรรมก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินก็ไปทูนให้ประาชาชนสงสารประาชาชก็ส่งคนไปช่วยขุดได้ทองมาทั้งหมดมากองใหญ่โตเลยแล้วก็เรียกประชุมพอกค้าข้ า, ขาราชการอำมาตทั้งหลายเศรษฐีทั้งหลาย ให้มันดูกันว่าใครมีทองได้ขนาดนี้บ้างแล้วเขาบอกว่าไม่มีท่านก็ตั้งให้เป็นเศรษฐีจากการเป็นเศรษฐีนี่ท่านเห็นกันจัด จ, จะเนี่ยจัดจ ะ, จะคือมันเปลี่ยนสถานะภาพของท่านจากคนทํางานรับจ้างมากลายเป็นเศรษฐีในชั่ววันเดียวก็ทําให้ท่านเชื่อมั่นในบุญกุศล คนเรื่องบุญกุศลเนี่ยที่จริงคนเราควรจะได้สัมผัสผลแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันผลของบุญจ น, นเรามีความสุขมีความสงบได้ยินเสียงที่ดีๆได้เห็นรูปที่ดีๆ、ได้ดมกลิ่นที่ดีๆได้ ล, ลิ้มรสที่ดีดีได้มีสัมผัสที่ดีๆีมันก็เป็นผลของบุญกุศล เพอจะให้คนได้สมบูรณ์อย่างนั้นมันก็ยากก็แสดงว่าท่านผู้นี้ก็มีบุญแล้วก็ทำบุญเป็นจำนวนมากทีเดียวแต่เดหลักเนี่ยมันอยู่ที่สามปัาหคุณคือข้อแรกผู้รับเป็นพระปัจเจับพุทธเจ้าข้อที่สองปัจจัยที่ท่านนำมาบริจาคคืออาหาร อาหารสาหรับท่านรับประทานนั่นแหละแต่เป็นของที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์คือทำงานรับจ้างได้มาใช้เรียวแรงได้มาเจตนาบริสุทธิ์ตั้งแต่เห็นพระประเจกพุทธเจ้าแล้วมีปีติประโมทตลอดพอดีพระประเจกพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติเรื่องใหญ่เลย ได้จังหวะอย่างนี้มันหาได้ยากอาจจะหนึ่งในหลายล้านนะฮะคือจะเจอเนี่ยพะในสมัยพุทธกาลก็มีคนห้าหกคน น, นั้นเองที่ได้รับส่นบุญในลักษณะพิเศษอย่างนี้แล้วก็แปลกทุกคนเป็นคนจนทั้งนั้นไม่มีคนรวยได้รับบุญอย่างนี้เลยอันนี้เป็นข้อที่น่าสังเกตนะ ก็เราจะเห็นว่าบางทีคนยากจนเนี่ยเขาทำด้วยศรัทธาจริงๆแต่เขามีเท่า น, นั้นน่ะก็เรียกว่าบางทีตัวเองก็ยอมหิวเพื่อจะได้ทำบุญแตวคนรวยๆนี่ทำได้หรือเปล่าบางคนที่ทำได้ก็ดีไปแล้วทำไม่ได้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีปัญหาที่ไปจิตใจ แล้วของที่เรานำมาบริจาคหรือเจตนาในการบริจาคหรือผู้รับบริจาคมันก็มีปัญหาขัดขวางอะไรอยู่เยอะเหมือนกันแต่กนท่านสมบูรณ์หมดแต่การต่อไปท่านบอกว่าเราได้เกิดในสักยะสกุลพระประยุรญาติได้ขนานนามให้เราว่าอนุรุทธะ แล้วก็ชีวิตการของเรือนของท่านก็เพียรพร้อมโดยการฟ้อนดําขับร้องมีเครื่องดนตรีบรรเลงปลุกไห้รื่นเริงใจอยู่ทุกค่ำ้าวหมายความว่าสนุกสนานเพลิดเพลินนะแต่อย่าลืมว่าแนวตรงนี้ไม่ช่วยให้คนอยู่ติดบ้านนะฮะเพราะอะไรเพราะอะไรมันจะดียังไงก็ตามนะ มันจะดียังไงก็ตามพอถึงจุดหนึ่งมันจะเบื่อเราลองดูพระพุทธเจ้าก็แบบเนี้ยพระยาศาก็แบบเนี้ยพระนุษก็แบบเนี้ยพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็แนวเนี้ยมีการปรนปรือบำรุงบำเรอโดยสาวสารกำนานในจำนวนมากก็เรียกว่าสำลักความสุข ท่านอยู่ในแวดวงของวัตถุนิยมสังคมบริโภคเหมือนยุคปัจจุบันเดียะเลยแล้วก็อาจจะประนีกว่านะฮะอาจจะประนีกว่าแล้วในที่สุดท่านก็ได้พบกับพระพุทธเจ้าคือที่จริงท่านบวชท่านท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่อนุปยธรรประวัน แต่มันละชุนบุตรแล้วก็ได้บวชทีนี้ในการที่บวชเนี่ยก็ทําให้บําเพ็นเพียรในการต่อมากบรนรุมมักผลเป็นพระหานแต่ทีนี้ท่านก็ตัดตอนตัดตอนมาพูดว่าหลังจากนายเป็นนายอนนภาระแล้วเนี่ย ท่านได้รับผลยังไงบ้างผลของทานในสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแต่ก็มีพระประเัเิกรพุทธเจ้าซึ่งระดับใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าเรียกว่ารองลงมาจากพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเราระลึกชาติก่อนๆที่เคยอยู่อาศัยมาแล้วได้ หมายความมาตอนนี้ท่านเป็นพระแล้วนะฮะท่านเป็นพระแล้วแต่ว่าเล่าย้อนหลังเล่าย้อนหลังให้ฝั่งว่าจะผลของการให้ทานเพียงก็ต่อมาก็คงไม่ใช่เล็กน้อยนะฮะแกก็าบสญมาเรื่อยๆบอกว่าเราเลึกชาติก่อนๆที่เคยอยู่อาศัยมาแล้วได้ เราได้เคยเป็นเท้าส ก, กะเทวราชอยู่ในดาวดึงเทพปิพภะมานานอันนี้จากการสังเกตในชาดุกอย่างพระเวสสันดรนะฮะเท้าส ก, กะเทวราชก็คือพระนุรุษเราจะพบว่าพระนุรุษเป็นเท้าส ก, กเทวราชอยู่เยอะมาก เพราะว่าท่านเป็นทีหนึ่งเนะี่ยคนอื่นเ้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่รู้สักเท่าไหร่มนุษย์เนี่ยเว็นว่าตายเกิดอยู่ไม่รู้สักเท่าไหร่แตก็เป็นอยู่ชาติเดียวแต่น้นเด็กเพราะนเป็นอยู่นานมากก็เรียกว่าหลายภพหลายชาติแล้วก็แต่ละชาติมันก็นานโดยเฉพาะเป็นทาสกเทวราชเองเนี่ยเป็นอยู่เจ็ดชาติด้วยกัน จิตชาติก็นับเป็นแสนแสนปีนะฮะเทีย บ, บ, บกับโลกมนุษย์แล้วก็แสนแสนปีคือราลองลอ ง, ลองคิดดูว่าร้อยปีของเมืองมนุษย์เนี่ยเ้ากับวันหนึ่งคือหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวดึงก็แสดงว่าอย่างนี้ถ้าเรานับตั้งแต่พระพุทธเจ้าไปนิผ่านมาสวรรค์ชั้นดาวดึงเพิ่งผ่านไปได้ยี่สิบวันนั่น เราล่อก็ไปตั้งสองพันกว่าปีแล้วแต่เขาก็เพงผ่านไปยี่กวันเนั้นเพราะนายุมันจึงห่างไกลกันมากแล้วก็เป็นพันปีทิพนะฮะเป็นพันปีทิพเอาขนาดพันปีทิพพอมาเทียบกับโลกมนุษย์ก็ไม่รู้จะเทียบยังไงไรู้จะเทียบยังไง จะพูดเอาเงินกีบลาวมาไปเทียบกับเงินปอนด์เตอร์ลิงยังพอเทียบได้แต่วาอายุมนุษย์ไปเทียบกับเทวดาชั้นดาวดึงนี่ก็สาหาัสทีเดียวเทียบยากแล้วท่านก็บอกว่าเราได้ปราบปรามไพรีไพ่แพ้แล้วสเสวยราชสมบัติเป็นพระเจ้าจากกักรพรรด จอมนุษย์นิก่อนในชมพูทวีปซึ่งมีสมุดทั้งสี่สี่เป็นขอบเขตถึงเจ็ดครั้งด้วยกันทีนี้คำว่าปราบปรามภัยรีในความหมายของท่านเนี่ยมันไม่ใช่เอาปืนยิงป้องๆไม่ใช่เอาดาบเอาธนูอะไรอะไรมาฆ่ากันพระเจ้าจาักรพรรดิก็ใช้าจากักรคือส่งจักรไป จากเหมือนกระสิ่งมีชีวิตะมันก็เดินไปถึงเมืองไหนเขาก็รู้ว่าพระเจ้าจากักรพรรดิอุบัติขึ้นแล้วในโลกคนก็ออกมาอ่อนน้อมสมัครเป็นบริวารของพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นความสมัครใจคล้ายๆกับสมัยพระเจ้าอาโศกพระเจ้ า, าโศกท่านรบใหญ่จริงๆก็รบที่แคว้นกาลิงขะคราดิโอท่า น, นั้นเอง น้อ น, นั้นบ้านเมืองทั้งหลายหเห็นว่าพระเจ้าโศกทรงธรรมมากแล้วก็มีเดชานุภาพเป็นที่เกรงขามของประเทศทั้งหลายประเทศเล็กประเทศน้อยก็เข้ามาเป็นบริวารสมัครเป็นบริวารของท่านก็ททาไห้จักกรวรดเท่านใหญ่โตมโมลานนะเข้าไปถึงกรีเข้าไปถึงอาณาเขตของกรีกใหญ่โตมาก แม้ในประเทศไทยเราก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระเจ้าส่งอยู่เยอะนะฮะัแสดงว่าจักรวรรดิสมัยนั้นใหญ่โตมากทาั้งๆที่ยานภาณะไม่ไดรวดเร็วอย่างในสมัยปัจจุบันเป็นอนุภาพของความดีเป็นต้นแบบของการบริหารประเทศไม่ว่าผู้บริหารจะเรียกว่าอะไรก็ตาม การบริหารโดยธรรมเนี่ถือว่าเป็นดีที่สุดแหละเพราะมาให้ความอบอุ่นแก่อาณาประชารัศรบ้านเมืองสงไบไม่วุ่นวายแม้แต่สาธารณภัยก็จะมีน้อยเพราะว่าคนบุญนั้นก็จะต้องอยู่ในสีในธร ร, ม ป, รยย ม, ม, ม, ปมปกครองประชาชนโดยธรรมประโยคนี้เยี่ยมมากๆกปกครองปกครองประชาชนโดยธรรมนี่เยี่ยมมากๆ คือท่าไม่นึกถึงพระปบมบรมราชนงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแข่งมาชนชาวสยามยังไม่ได้พบที่มาว่าเป็นโบราณประเพณีอย่างกษัตริย์สมัยก่อนพุทธกาลหรือสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาประกอบปราชพิธีบรมราชาพิเศกเนี่ยท่านจะกล่าวว่า ข้าวไม้น้ำข้าวไม้แลยน้ำหญ้านะข้าพเจ้าให้แกส่สมนนภารคือหมายความวันสมบัติส ม, มัยนั้นก็เป็นของกษัตริย์นอกจากของราชดรก็เป็นของกษัตริย์ที่นี้พระท่านไม่ได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของครอบครองแต่บางคราวในท่านก็ต้องใช้น้ำก็ต้องดื่ม น้ำก็เป็นือของแผ่นดินนะฮะไม้อาจจะให้คนทำกระท่อมกระทำกตุติก็เป็นของแผ่นดินไม่ต้องขอพระบรมราชาอนุญาตราชาประกาศให้ไว้ตั้งแต่ต้นแก่สั ม, มณพราหมณ์ทั้งหลายมาความนักบวชทุกชนิดทุกประเภทสามารถชาได้ทีนี้คำว่าปกครองประชาชนโดยธรรม โดยเนื้อหาสาระมันก็เป็นเช่นเดียวกับปถุมบรมราชวงการที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมก็แผ่นดินในที่นี้ก็หมายถึงพื้นที่ดินแดนประชาชนเป็นตัวหลักนะฮะเป็นตัวหลักแล้วอย่าลืมว่ามันเป็นสูตร ของการปกครองที่ดีก็คือต้องปกครองโดยธรรมมีธรรมะเป็นมาตรเป็นเครื่องวัดเป็นเกณฑ์เป็นข้อกำหนดจะถูกจะผิดเนี่ยคือมันต้องดูธรรมะธรรมะมาเป็นมาตรวัดว่าถูกหรือผิดที่สงสัยก็คือว่าเป็การรับสั่งครั้งแรกของราชการที่9ก้าหรือว่ารับสั่งมาตั้งแต่ต้นสมัย สุโคไทยมาแต่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องอยู่ในราชนิติแต่ว่าราชนิตินั้นก็พบกัะปิดกระปลอยในที่ต่างๆยังไม่เคยอ่านยังไม่เคยอ่านตัวหนังสือเหล่านี้ก็คงจะไม่พิมพ์เผยแพร่เป็นที่ทั่วไปนะคงอยู่ในแวดวงของผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองที่มันฝันนี่คืออะไร ที่บรรฝันว่าถ้าหากว่าเราคิดจะโดยเสด็จรอยุคนบาทของพระองค์ใช้ประโยชน์เดี๋ยนี้จะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุแขแห่งมาชนชาวสยามปกครองซึ่งอะไรปกครองซึ่งแผ่นดินโดยวิธีอย่างไรโดยธรรมเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์สุแขแห่งมาชน ชาวสยามหรือไม่สยามก็ไม่รู้ที่อยู่ในแผ่นดินที่อยู่ในประเทศเนี่ยนะเห็นไหมมันมั น, ม, น, ม, นมันมีหลักครองแผ่นดินเป็นงานในการบริหารวิธีการก็คือโดยธรรมเป้าประสงค์ก็คือเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามอ่าพระปฐมวรมราชจงการว่าอยางนั้น แต่ยิงขั้นแรกตอนรัชดาพิเศษสมโพธนะฮะไอ้ตื่นเต้นมากว่เป็นประโยคที่สวยมากจริงๆไพเราะมากจริงๆ ย, ยิ่งใหญ่มากแล้วทีนี้สมมติว่ามาถึงปัจจุบันถ้าเราต้องการจะโดยเสด็จรอยุคนบ่าจริงๆมันก็ว่ามาตั้งแต่รัชบาลรัฐบาลเปลี่ยนคำบางคำใช่บ้างโดยสอดคล้องแก่สถานะของเรา เราจะบริหารราชาการโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแข่งมหาชนเราจะตัดสิคนคดีโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแข่งมหาชนแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะทั้งผู้ว่าทั้งนายอำเภอทั้ง อ, อบอจ อ, อ, อบอตอทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านจนถึงหัวหน้าครอบครัว เราจะครองเรือนโดยทรรมเพื่อประโยชน์สุขของครอบครัวของทุกคนภายในครอบครัวมันเป็นโมเดลที่ขยาย ใ, ใ, ใหญ่ก็ได้ย่อยอยเล็กก็ได้ขยาย ใ, ให้ใหญ่ยังไงก็ได้ปัญหาสาคัญเวลานี้ก็อยู่ที่เราค่อนข้างละเลยทำ เป็นปนัญหาใหญ่นะฮะเป็นปนัญหาภูเขาคือไม่รู้จะพูดยังไงแหละแต่ว่าเวลาพระพุทธเจา้าทรงอธิบายอธิปไตยทั้งสามเนี่ยนะมันมันไม่ได้เลวร้ายมันไม่ได้แบบผเด็ดการหรือว่าอะไรล่ะแบบปัาธิปไตยอะไรตไร่างต่างเนี่ยมันไม่มันไม่เลวร้ายขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้าอาตาัตราธิปไตย คือแบบราชาธิปไตยก็ใช้สติให้เป็นหลักให้มากทำยังมีสติพูดยังมีสติคิดยังมีสติถ้าจะเป็นโลกาธิปไตยคือแบบราาประชาธิปไตยก็ใช้ปัญญาให้มากแล้วถ้าเป็นธรรมะธิปไตยก็ใช้ธรมธรมธรรมะให้มากถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรเสียหายเลยปกครองในแบบใดก็ได้นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมาก เพราะอะไรเพราะว่าพระนุรุธท่านเคยบริหารมาแล้วถึงเจ็ดชาติใหญ่ๆด้วยกันคือชาติที่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพิสูจน์แล้วเป็นธรรมะที่มีเจตนานแล้วมีความพยายามแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากความพยายามแล้วอย่าชนด้รับประโยชน์ความสุขจากการพยายามเหล่านั้นเแดบบ็ทต้งฝั่งทั้งไห